ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านสาธุชนทั้งหลายพุทธชัยมงคลคาถาข้อสุดท้ายคือข้อที่8เป็นการแสดงธรรมะระดับโยกจะยากต่อการทำความเข้าใจเป็นข้อความที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในคราวหนึ่งเมื่อ ปรุงประทับอยู่ที่สุภาวันท้าพกาพรมซึ่งเป็นพรมผู้ใหญ่ในพรหมโลกได้เกิดมีความคิดว่าพรหมสถานหรือพรหมสถานะคือหมายความว่าทั้งตัวพรหมโลกและผู้เกิดในพรหมโลกนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนแข็งแรง ไม่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่มีความสุขอื่นใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพรหมโลกอีกแล้วพระพุทมีพระาภาัคเจ้าทรงทราบปริวิตกของประกาพรหมคือความคิดนะฮะสำนวนบาลีมันใช้คาว่าปริวิตกเจนั้นก็เห็นว่าประกาพรหมมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิติ เข้าใจสัจธรรมของโลกของชีวิตผิดไปไปองค์กอันตรทานไปจากอุทยานที่ประทับก็ไปปรากฏในทํากลางพรมบริษัทประกาศพรมชื่นชมยินดีในการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าก็กล่าวเชิญชวนต้อนรับด้วยความยินดีแล้วก็ยืนยันความคิดเห็นเดิมของท่านนั่นเองว่า พรหมสถานะหรือพรหมสถานนั้นเป็นสภาวะที่เทียงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าพรหมโลกอีกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเป็นใจความว่าท่านประกาศพรหมนั้นพิษคิดผิดเข้าใจผิดแล้วที่ไปยืนยันสิ่งซึ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง สิ่งที่ไม่คงทนว่าคงทนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงว่าไม่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่อย่า ง, <c oughs> งประกอบด้วยทุกข์ว่าเป็นบรมสุขแต่ประกาศรมเองท่านก็ยังยืนยันในลักษณะนั้นแต่เนื่องจากเป็นการปรากฏตัวในถ้ากลางพรมบริษัทพอดีพญามาณได้เข้าสิงพรมบริษัท ต, ตนหนึ่ง พรหมนั้นก็แสดงการคัดค้านพระพุทธเจ้าโดยใช้คําว่าภิกษุคือเรียกคําว่าภิกษุเพราะดูก่อนภิกษุเธออย่าลุกรานประกาศพรหมเพราะประกาศพรหมนั้นเพราะพรหมนี้เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นบร ม, มสุขคือเป็นจุดสุดสุดยอดของชีวิตของชีวิตแล้วพรหมนี้เป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เพราะถ้าใครขืนไปตำหนิไปคัดค้านไปขัดแจ้งวาทะของพรมแล้วตายไปก็จะต้องตกอับายประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในอับายเพราะฉะั้นถ้าท่านกลัวอบายก็อย่าคัดค้านวาทะของพรมควนยอมรับว่าสิ่งที่พรมแสดงสิ่งที่พรมเข้าใจนั้นเป็นความถูกต้อง พระพุทธเจ้าเองตอนนั้นยังไม่สนพระไทยอ่ะคือคำที่ปรุบริษัทแทรกขึ้นมาก็แบบคนผีข้าวแทรกขึ้นมาคนหนึ่งแต่ก็ยังรับสั่งกับพระกาพรมอยู่เหมือนเดิมเราทรงใช้คำว่าดูก่อนพระกาพรมคือใครก็ตามที่ยังมีความเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ต, ตามที่มันเป็นคืโดยสรุปประามที่มันเป็น จึงยึดถือว่าดินยังเป็นดินน้ําเป็นน้ํามลมเป็นลมไฟเป็นไฟอย่างนี้ก็คนนั้นไม่ตกอยู่ในสภาพที่แท่งแท้แน่นอนยั่งยืนแข็งแรงไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือเข้าถึงเอกันตะบรมสุครอประกาศลมท่านก็ยังมันในอารมณ์ของท่านเหมือนเดิมแต่ก็บอกว่าขอให้ท่านมาเป็นพวกของเรามานอบน้อมเรามาอยู่ร่วมกับเราท่านจะอยู่ใกล้กับเราเพื่อจะ เข้าถึงสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแข็งแรงถึงเอกันตะบรมสุขนี่ก็เป็นสูตรเลยนะฮะเือพูดเป็นสูตรไปเลยพระเจ้าก็รับสั่งเตือนย้ำว่าถ้าเราเองนั้นมีความเข้าใจดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเช่นเดียวกับท่านเราก็ต้องใกล้ชิดท่านเราก็ต้องอยู่ร่วมกับท่านเราก็ต้องประสบสภาวะเช่นเดียวกับท่านแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้น เราไม่เข้าใจดินโดยความเป็นดินหรือไม่ยอมรับถึงความมีอยู่ของดินน้ำโดยความเป็นน้าเป็นต้นคือแสดงว่าพระองค์เองนั้นไม่มีอุปท า, านความยึดถือในสภาวะทั้งหลายในโลกนี้เพราะด้วยสถานะเหล่านี้จึงไม่ใช่สถานะที่พระองค์จะอยู่ต่ำกว่าพระกาพรมแท้จริงแล้วพระองค์อยู่เหนือกว่าพระกาพรมเหนือในทุกด้านเหนือในด้านคุณเหนือในด้านความรู้เหนือในด้าน ความรู้แจ้งโลกและชี้แจงให้ประกาศผมเข้าใจไอตัวแซวก็แซวอีกแล้วคือพรโมบริษัทที่ถูกมารสิงก็ขึ้นแซวอีกแล้วบอกว่าดูกรพิกษุเมื่อท่านจัดสรนุนี่ท่านก็กวลจะอยู่เฉยเฉะไปแนะนำอบรมสั่งสอนประชาชนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองอยู่ไว้สงบสงบเฉยเฉย เพราะการทำงานเช่นนั้นมีความเหนื่อยยากมีความลำบากทุกร้อนจึงพระองค์ไม่ควรทำนะให้อยู่สงบสงบประกอนนิพพานไปเช่นเลยตอนนี้พระพุทธเจ้าหันมาตอบแล้วก็ะรับสั่งว่าลู ก, ก่อนมานผู้มีบาปฉันรู้จักเธอมานานนะเป็นหน้าที่ของศ า, าสนราผู้อนุเคราะห์โลกเมื่อจัดสรู้แล้วจะต้องแนะนาสั่งสอนชี้แจงให้บุคคลอื่นเกิดความไม่จกัก ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องอะไรที่ท่านจะต้องไปริษยาไปขัดขวางการช่วยเหลือบุคคลอื่นเพราะการกระทำเช่นนั้นความคิดเช่นนั้นของเธอนั้นเป็นเรื่องของการริษยาคนอื่นต้องการกีดกันคนอื่นแต่ตาตาครสมีความกรุณามุ่งช่วยคนอื่นเพรานคนเช่นท่านนั้นไปนำคนอื่นได้แต่มันนำเราไม่ได้ให้คนอื่นอยู่ในอนาจได้แต่ให้เราอยู่ในอานาจไปได้ พอเราอยู่เหนืออนานาจของท่านอันนี้ก็ถอยกันไปแต่ว่าพระกาพรมเองนั้นยังไม่ยอมยังไม่ยอมคือท่านก็จะว่าท่านเที่ยงอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกเอาอย่างนี้ระวังเธอกับฉันเนี่ยลองอันตรธานหายไปดูจะว่าใครจะเห็นไม่เห็นกันคือเธอสแสดงฤทธอิอนาจเธอสุดยอดแล้วเนี่ยลองสแสดงดูเดี๋ยวเธอหลบไปที่ไหนก็ตามแล้วฉันจะบอกว่าเธออยู่ที่ไหน ประกาพรุก็ตกหลงไม่ว่าแกไปที่ไหนก็ตามพระพุจ้ารับสั่งบอกตอนนี้เธออยู่ตรงนั้นตอนนี้เธออยู่ตรงนั้นตอนนี้เธออยู่ตรงนั้นในที่สุดตระกาพรมก็ยอมยอมว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ตามก็ตกลงถึงคราวพระพุทธเจ้าที่จะแสดงปาฏิหาริย์คือ สเสด็จไปในที่ที่พรหมไม่เห็นคือไปอยู่ในสภาวะที่พรหมไม่เห็นก็มีการแสดงในรูปปฏิหารเป็นอันมากท่านทั้งหลายคงจะเคยพบมีพระพุทธรูปแต่ส่วนมากจะเป็นรูปเขียนนะฮะเป็นรูปเขียนที่รูปพระพุทธเจ้าอยู่บนเสียนพรหมก็มันคล้ายๆกันก็ไม่ใช่เล่นซ่อนหาหรอกแต่ ว, ว่าเป็นแสดงกาสู้กันเพื่อขมนะฮะเพื่อกำราบกันในข้อนี้ ในพระไตรปิฎกเองนั้นพระพุทธก็ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าหา ย, หายไปที่ใดแต่เมื่อหายไปแล้วพรหมมองไม่เห็นหาไม่เจอว่าพระพุทธเจ้าหายไปที่ไหนแต่พระอัตถกถาจารย์ท่านเล่าท่านก็สร้างรู้ดีเหมือนกันก็ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็เสด็จลําพังพระองค์นะฮะก็มาเล่าเท่าทีา่เล่าในพระสูตรพระอาจารย์ท่านก็เล่าบอกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปรออยู่บนเสียงพรหมเมือยู่บนเสียงมันก็มองไม่เห็น มองไม่เห็นมันก็มองท้ายตอยไม่เห็นก็มองไม่เห็นและในที่สุดมันก็แพ้ก็ยอมรับนําถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้แจงให้ท่านเข้าใจนะฮะว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้โลกเนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่ได้มีเฉพาะพรหมโลกกายก็ไม่มีไม่ได้มีเฉพาะพรหมกายมันมีกายที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่าที่ท่านเป็นนี่อีกมันมีกายอาพัสระ ท่านยังไม่รู้อาพัสระพร ม, มันเป็นยังไงมีกายสุปกินหับพรมมีกายพรมอภิภูพรมมีกายพรมเป็นอันมากเลยที่ท่านเองยังไม่รู้แล้วเขาก็อยู่สูงกว่าท่านอยู่เหนือกว่าท่านแต่ว่าท่านาท่านประกาพรมนั้นระลึกไม่ได้เข้าเข้าใจไม่ได้ก็เข้าใจว่าฉันนี่หนึ่งแล้วเข้าใจว่าฉันนี่หนึ่งแล้วนั่นคือเหตุผลประการหนึ่งที่ท่านเกิดถือว่าบรมอรสุขแล้วเพราะไม่ได้มีการเปรียบเทียบ คือไม่ได้เปรียบเทียบกับสุกอื่นก็เข้าใจว่าตัวเองมันสุขสุดยอดแล้วลีป ร, ระการหนึ่งนั้นเกิดจากจากการระลึกชาติย้อนหลังที่ก่อให้เกิดเป็นความเห็นว่าเที่ยงนั้นท่านนรึกชาติย้อนหลังได้27ชาติ27ชาติพอดีมันเกิดเป็นพรหมหมดทุกชาตินี่แกเกิดเป็นพรหมเพราะว่าพอพรหมพอชาญเสื่อมเริ่มเจริญชาญต่อไปเจริญชาญต่อมันก็เกิดด้วยอำนาจชาญอีกก็เกิดได้พรหมอีก พอถึงจะหมดอายุจเจริญฌานต่ออีกละเพราะงั้นแกก็เกิดเป็นพรหมอยู่ได้เรืยแต่แกไม่ได้จำแนกว่าแท้ที่จริงพรหมที่แกเกิดมันเกิดต่างกันมันเกิดต่างกันบางทีฌานสูงแกเกิดถึงอาภัสระเกิดถึงอสุภกินหะเกิดถึงอภิพรหมแกแยกไม่ออกแต่พระพุทธเจ้า ก, ก็ย้อนกลับคือคล้ายๆกันนำญาณต่อให้ดูนะฮะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในความเป็นพรหมเองเธอก็เปลี่ยนเธอก็เปลี่ยนพบพรหมเป็นภูมิพรหม เปลี่ยนชั้นของพรหมอยู่ตลอดใน27่ชาติเนี่ยยี่พบยีชาติเนี่ยทีนี้ท่านก็มีเพื่อนอ้างมันสมหัวรวมกันอีกพรหมอีกหลายตนนะฮะหลายองค์คือมีระลึกชาติได้เท่ากับพระ ก, กาพรหมแล้วมานั่งคุยในวงเดียวกันนะฮะนั่งคุยในวงเดียวกันก็เสร็จแล้วสรุปทฤษฎีเรียบร้อยว่าโลกในเที้งคือพรหมนีนเริ่มต้นมาจากพรหมแล้วก็จะเป็นพรหมอยู่ตลอดไป แล้วก็จะยุติด้วยพรหมเพราะงั้นพรหมเนี่ยจึงจะเป็นภาวะที่สูงสุดแล้วก็เป็นต้นเหตุของทรศนสิ่งนี่คือท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแนวความคิดในลักษณะนี้เป็นแนวความคิดโบราณนมเนกาเลเลยเนยคิดมาอย่างนั้นฮนะแต่แต่เราลองดูว่าอายุของพรหมนี่อย่าที่เคยยกตัวอย่างว่าคือมันนับตัวเลขนับอยางนานมาคือเอาเฉพาะดาวมะดึงเนี่นับง่ายๆนะฮะ ดาวดึงหรือชั้นจาตุมาราชนับง่ายหน่อยคือร้อยร้ปีเมืองมนุษย์เกับวันหนึ่งคือหนึ่งของดาวดึงเพราะงันเป็นล้านปีนะฮะอายุของเทวดาชั้นดาวดึงแล้วพรมนี่ไม่รู้ตัวเลขมันนับยังไงมันยาวๆรู้สักกี่ตัวคือเรียกไม่ถูกอายุนานนะฮะเพราะงั้นไอ้นานเหล่านี้ไอ้การที่นานเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าเที่ยงไานมองไปเจอตลอดเป็นแถวไปเลย ไม่เห็นมันเปลี่ยนอะไรคือเกิดเป็นพรหมๆอย่างนั้นเพราะงั้นไอสัตวสตตะทิฐิเนี่ยจึงแนวเกิดมาอย่างนี้แนวเกิดมาอย่างนี้แต่ละที่การสอนในเรื่องพระพรหมเป็นประชาบ ด, ดีคือผู้สร้างเนี่ยมันก็แนวเดียวกันคือหมายความว่าท่านมองจุดสุดยอดแล้วไปหยุดแค่นั้นเองไม่เห็นนอกจากนั้นแล้วก็ถือว่าต้องเริ่มต้นนับหนึ่งมาจากนั้นนับหนึ่งมาจากนั้นความคิดแต่แนวนี้ท่านทั้งหลายลองดูนะครลองดูว่า อียิปต์ทาไมานับถือเ ม, ม, ม่นมน้ำหนมากแม่น้ํำหนก็แกหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่ น, มน้ำหน่าแต่อาปลายแม่น้ํหน่ายนี่แกไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่ในประเทศแกแกไม่รู้เพราะงั้นก็โอ้โหนับถือเป็นเทพเจ้าไปได้เทพเทพอินเดียอินเดียทำไมอินเดียนับถือแม่พระคงคามากกลัวแม่พระคงคาบูชาแม่พระคงคาแม่พระคงคาศักดิ์สิทธิ์เพราะอินเดียไม่รู้ไอ้ต้นแม่พระคงคามเป็นยังไง มันเป็นยังไงมีหิมะยังไงมันละลายยังไงพระคราวหิมะละลายเนี่ยอธิบายไม่ได้ว่าทําไมมันมามากมาย ง, งั้นฝนก็ไม่ตกแดดจ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่น้นนําอินเดียหลากมาท่วมเจิงนองไปหมดเลยมันมาอย่างไงก็สร้างเป็นจินตนากายพระแม่คงคาพิโรธบรรดาล น, น้ําให้หลากมาท่วมท่วมพอหิมะละลายหมดน้ำมาหยุดบอกตอนเนี้ยพระศิวะไปชะลอพระเสียรไป เอาพระเศียรไปชะลอแม่ประคงคาไว้แม่ประคงคาจึงไม่ไหลนะเลยก็นับถือพระศิวะพระนาฬินี้คืออะไรพระศิวะที่จริงก็คือภูเขานั่นเองเมื่อก็เริ่มมาจากความคิดเป็นภูเขานะฮะภูเขาที่กั้นแม่น้ำเอาไว้เนี่ยกั้นน้ํากันไอ้ทำให้น้ํามันไหลช้าเนี่ยหรือหิมะก้อนหิมะใหญ่ๆเนี่ยมันกั้นเอาไว้หรือมันไม่ละลายเนี่ยแล้วก็ในที่สุดมันก็ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นเทพเจ้า นี่คือความปักใจฝังใจเพราะงั้นทิฐิสองข้อนี้มันครองโลกกันตลอดเลยอุเฉตทิฏฐิกับสัสตะทิฐินะอุเฉตทิฏฐิสัตตทิฐิก็คือจิตตานิยมวัตถานิยมนะท่านตั้งหลายเห็นว่าความเห็นผิดที่เป็นมิจฉาทิฐิขนาดมหาพรหมนะขนาดมหาพรหมยังมองอะไรไม่ตลอดสายเลยแล้วแก่แกก็ขีดวงอในแนวที่เรียกว่าอะไร ก, กบอยู่ในสาย การดวงเ อ, อาเฉพาะที่แกรู้นะฮะแล้วก็อาศัยข้อมูลเท่านั้นสรุปทุกข่ า, าทิในข้อสุดท้ายที่ว่าถือผิดพระพุทธเจ้าใช้คำว่าถือผิดเข้าใจผิดดังนั้นความเข้าใจที่อธิบายไว้ในพรมชารสูตรที่บรรยายไปแล้วนะฮะท่านจะเห็นว่าที่ทีหกิประการเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความเห็นผิดเลวร้ายนะฮะ บ, บางข้อเนี่ยไม่ใช่ผิดเลวร้ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายอะไร ไม่ถึงกับไปห้ามสวรรค์อะไรคือคนสามารถจะบังเกิดในสวรรค์บังเกิดในโพรหมโลกได้ทั้งไปไอท้ทิฏฐิแบบนั้นขนาดนั้นนะะเพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าใจว่าไอ้นี่สภาวะนี้เที่ยงแต่ว่าทํำยังไงจริงให้เที่ยงมันก็ต้องสร้างเหตุให้เที่ยงขึ้นมาสร้างเหตุให้เที่ยงท่านก็ต้องทําความดีนะทำความดีต้องก็ไปเกิดในสุคติได้ทําความดีจะเกิดในสุคติได้หรือพวกที่ได้ระดับฌานติดต่อกรเทพได้แล้วก็เทพนั้นสามารถให้อํานาจอิทธิพลกับตัวเองได้ ก็ถือว่ า, ารู้รู้จักเจ้าะเทพตัว น, นี้ฮะเทพตัว น, นี้จึงเป็นผู้สร้างเทพตัวเนี้ยมันจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ไม่สําคัญแนหะแต่ว่าแกติดต่อได้เจ้าะเทพองค์นั้นนะเดี๋ยวก็รู้สุดยอดเท่านั้นแล้วก็สรุปรวมว่าองค์เนี้ยคือผู้สร้างแลเวลาจะสมมุติเรียกชื่ อ, อยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือความคิดในทางศาสนาถ้าเราดูตัวอย่างท่านพระ ก, กาพรหมแล้วเนี่ยความรู้ทันยะนะจริงยานก็สูงด้วย แต่ว่าท่านก็ติบตันอยู่แค่ยี่สิบเจ็ชาติเท่านั้นเองตีบตันและเลืกชาติได้27ชาติแล้วเป็นช่วงที่นานเป็นพิเศษคือแต่ละพบแต่ละชาติดังนั้นความคิดเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐินะมิจฉาทิฐิแนวนี้ที่จริงไม่เป็นอันตรายนะฮะเพราะว่าท่านต้องรักษาสภาวะของพรหมไว้เออพรหมมันจะเป็นยังไงรักษาไว้เที่ยงคงทนมั่นคงแข็งแรงยังไงท่านก็รักษาเอาไว้ ไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นแต่ว่าในแง่ที่เอาบางที่ประสัพพัญญุตยานจริงๆถือเป็นมิจฉาทิฐิเป็นความรู้ที่ยังไม่ถูกต้องจริงๆนะแต่ไม่ใช่ถือเป็นนิยตตมิจฉาทิฐิคือไม่ได้ถือว่าจะต้องตกนรกหมกไหมอะไรไม่ให้ถึงอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรลดังนั้นแนวความคิดเหล่านี้จึงเกิดเป็นรูปของศาสนาต่างๆขึ้นมาได้ พรพรมเหล่านี้ท่านระลึกชาติได้แล้วระลึกชาติจํากัดท่านก็นั่งนับหนึ่งจากตรงนั้นแหละมไม่รู้แหละใครว่ายัางไงก็ว่าไปฉันนับหนึ่งตรงนี้ว่าฉันรู้เท่านี้เองก็ตั้งต้นมาจากนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระสูตรนี้เขาเรียกว่าเป็นพระสูตรที่พรมเชื้อเชิญนะครับเพรมเชื้อเชิญให้พุทธเจ้าแสดงจึงเรียกว่าพรมันติกาสูตรคือพระสูตรที่เกิดขึ้นจากการเชื้อชิญเชื้อชิญของพรมให้แสดง เป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่านะรับสั่งเล่าคือไม่มีใครไปเห็นพระองค์ไม่มีใครไปเห็นพระองค์เพราะเขาเรียกใ ช, ใช้คาว่าตัดเถวันอรตรทานคืออันตรธ า, านไปพระเจ้าทนอันตรธ า, านปุ๊บไปปรากฏปั๊บได้ในที่นั้นๆซึ่งในกรณีนี้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนเช่น บางครั้งบางคราวภิกษุณีภิกษุท่านเจริญกรรมฐ า, านมันติดอยู่โดยจะจะทะลุได้นะฮะแล้วติดแต่ใครช่วยไม่ได้พระเจ้าก็อันตรธานหาย ถ, ถึงก็ปรากฏเฉพาะพระพักชีพแนะให้นี่ก็เป็นเป็นพุทธานุภาพนะฮะเป็นพุทธานุภาพของพระองค์ธรรมเทศนาเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นจากการเล่านะฮะจากการเล่าของพระพุทธเจ้านํามาเล่าให้ภิกษุ ฟ, ฟังอีกครั้งหนึ่ง ่ประเด็นสําคัญที่น่าศึกษาก็คือว่าท่านพระกาพรมเนี่ยมันพรหมระดับไหนที่จริงตา้เป็นพรหมโลกชั้นที่สามเนั้นเองพรหมโลก16ชั้นนะฮะท่านอยู่ชั้นที่สามเ่านั้นเองอยู่ชั้นที่สามก็เรียกว่ามหาพรหมพรหมบริสัทธะพรหมปุโรหิตามหาพรหมมาเกิดด้วยกําลังปฐมชาตินะนั่นเองเกิดด้วยกําลังปฐมชาตระดับประณีดจึงเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมในพรหมโลกชั้นนี้ นันดูฮะคือคื อ, ค, อคือเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอะไรนะฮะคล้ายๆกับว่าคนมีเงินจํานวนหนึ่งเมื่อไม่เอาไปเที่ยวกับเศรษฐีมันก็รวยจังแล้วฮะรวยจังแหละแต่เอาไปเที่ยวกับเซธีมกัก็จนนะจริงจริงกาเซธีก็จนก็ก็ไอเซธีทั้งหลายไปเที่ยวกั็พวกมหาเศรษฐีเป็นเงินโกดๆมันก็จนอีกฮนะทีนี้แกไม่ได้เทียบน ะ, ะเพราะแกโดดเด่นอยู่เพราะคนเพราะอะไรเพราะพวกนี้ขึ้นชั้นบนไม่ได้ ขึ้นไปอยู่พรหมโลกชั้นสูชั้นสี่นี่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยูม่มาลงมาสัมผัสไอ้พวกของตัวนี่เองได้คือพรหมบริษัทกับพรหมปุโรหิตเนี่ยได้ก็สุดแล้วมันก็สุดท้ายแค่แค่แกเพราะแกมองข้างบนไม่เห็นแต่แกมองข้างล่างเห็นนะมองข้างล่างเห็นก็นับหนึ่งมาจากแกก็มองเห็นเป็นความยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะว่าเป็นมหาพรหมซึ่งครอบงําพรหมอีกสองชั้นได้คือพรหมอีกสองชั้นก็ ต้องจงรักภักดีเคารพนับถือแวดล้อมเผานะฮะเขาก็ใหญ่ตัวก็จะขีดวงเนี่ยก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเป็นสภาวะเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแข็งแรงนะสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แข็งแรงความคิดเหล่านี้เองแม้จนเกิดมาในตอนหลังที่พวกหินดูก็สร้างพระพรหมขึ้นมาไม่ใช่พวกพราหม์ก็สร้างพระพรหมขึ้นมาเนี่ย แลก็สายแนวความคิดนี้แหละแนวความคิดเนี่ยพรหมนี่เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนอนันต์นะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ะเป็นที่เกิดของสรรพสิ่งทางหลายเป็นประภูติอะไรแต่อะไร ก, ก็ว่า ง, งนี้ฮนะก็จากจากการเรียนรู้ที่จบของท่านเท่านั้นเองจบของท่านแล้วท่านก็บัญญัติท่านก็กำหนดเอ่อเป็นความเข้าใจผิดในแง่ของ อะไรฮะสามั ญ, ญลักษณ์นะไปเข้าใจผิดในแง่ของสามั ญ, ญลักษณะเท่านั้นเองเข้าใจว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เที่ยงแท้แต่มันนานกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเองมันนานกว่าชีวิตในลักษณะอื่นเพราะพระพุทธเจ้าต้องต้องการจะแสดงสิ่งเหล่านี้บางทีนี่ฮคือ คือท่านทั้งหลายค ง, งจะนึกออกนะว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไมเป็นพรหมเสเลยพรหมเทศบรรดาคมันไม่เห็นใจลักอะอายุมันนานนะฮะไม่เห็นใจลักเพราะงั้นการจะพระพุทธเจ้าจะอุบัติเนี่ยอายุคนต้องไม่มากเกินไปอายุคนมากยุคที่อายุคนมากมานี่พูดก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เห็นเห็นส่องดูหน้ากระจกทีไรก็เห็นยังสาวเหมือนเดิมยังหนุ่มเหมือนเดิมพูดก็ไม่รู้เรื่อง อะไรว่าพระพุทธเจ้าว่าเปลี่ยนแปลงไม่เห็นฉันเปลี่ยนแปลงเนี่ฉันอยู่มาตั้งนานนะฉันก็เป็นคนฉันอย่างเงี้ยมันก็พูดกันไม่รู้เพราะงั้นต้องมีไอ้ปัจจัยมันหนุนปัจจัยบางข้าสนับสนุนที่จะชี้เมื่อเราชี้สิ่งหนึ่งไม่ได้เราชี้ที่สิ่งหนึ่งให้ดูได้เพื่อให้เขาดึงกลับมาหาอย่าว่าในกรณีของคนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ยอมนะฮะ ไม่ยอมพระพุทธเจ้าก็ให้ชี้ให้ดูที่อื่นใหดูตอมน้ําให้ดูไปดูพรยับแดดให้ดูฟองน้ําให้ดูอะไรเนี่ยฮะให้ดูสิ่งที่มันมันมันเกิดมันเสื่อมเสืมเสื่อมนี่ยทำไมแก่เสื่อมได้เร็วกว่าเพราะว่าไอเหตุปัจจัยที่ให้เป็นอยู่มันน้อยกว่าแกก็เสื่อมได้เร็วเหมือนเอาน้ําแข็งกับไอซ์รีมไปวางไอกลางแดดนะฮะที่จริงมันก็เป็นพวกน้ําแข็งด้วยกันนะแต่ว่าไอซกรีมนี่องค์ประกอบมันน้อยกว่าเพราะงั้นแก่จะละลายได้เร็วกว่าน้ําแข็ง ทีนี้เราก็ดึงก็มาหาคนนะคนองค์ประกอบมันก็มากกว่าสัตว์นะอาจจะเอาคนไปเทียวกับยุงอันนี่ยุงองค์ประกอบน้อยกว่าเพราะ ง, งาั้นแกก็ตายก่อนหรือม า, าองค์ประกอบน้อยกว่าคนเนี่ยก็ตายก่อนคนสร้างองค์ประกอบแกมากกว่านีครั้งก็ตายหลังคนนี่มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยซึ่งเราอาจจะเทียบด้วยเรือนด้วยตึกด้วยอะไรก็ตามแต่สรุปวา่าสิ่งทั้งหมดนั้นจะต้องจบลงด้วยความเสือ่อมความแตกทํำลายเป็นธรรมดานะฮะ แต่ว่าธรรมดาของใครบางอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่แน่นะธรรมดาของภูเขาก็ธรรมดาของต้นไม้เมันคนละธรรมดากันว่าธรรมดาที่เป็นเหตุเกิดภูเขาก็เหตุเกิดต้นไม้เป็นคนละเหตุปัจจัยกันแต่ที่แน่นอนที่สุดว่าทั้งพรหมทั้งเทวดาทั้งอะไรก็ตามเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงอธิณีในในกรณีของมารนะฮะท่านจะเห็นว่ามารเนี่ยพยายามจะหักความคิดแล้วไม่รู้ตาไม่ดูตามาตาเรือในลักษณะของคนพานทั้งหลายเนะี่ยคือไม่ดูว่าใครเป็นใคร ทั้งๆที่แกรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ายัางอุตสา่ามาที่ยวหักเขที่จ ะ, ะพูดน้มน้าวจิตใจให้เกิดคล้อยตามเห็นตามว่าอย่าไปคลดค้านพรมนะับพรมโคบเป็นรภาวะี่เที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนแข็งแรงไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นบรโมัสุขเป็นที่สุดแต่งสุขแล้วคลาดคลาดอย่างนั้นไม่ได้นะจะตกโรกอย่าเน า, เาะรกไปขู่พระพุทธเจ้าอีกแล้วมันโง่เหมือนเดิมอะคือไอ้สันดานของมันมันก็โง่อย่า ง, งานั้นอะคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเองนั้นจะไม่สนพระไถย เราจะเห็นว่ายังคงแสดงเหมือนเดิมพระกาพพรมเองท่านยังไม่ไม่ไม่ไม่ยอมรับนะฮะเพราะเพราะเราต้องเข้าใจท่านว่าท่านไม่เห็นจริงๆนะฮะท่านไม่เห็นจริงๆเพราะอะไรฮะไอไอไอลักษณะภาวะของพรหมเนี่ยมันเป็นเป็นพวกที่อยู่เด็กกำลังจานอยู่ในกำลังของจานเฮ้ท่านท่านทั้งหลายลองดูกันแล้วกันว่าเมื่อสภาวะอย่างหนึ่งมันอยู่ไอสภาวะอย่างหนึ่งมันไม่ปรากฏ แช่มเช่นว่าเรายังมีสมาธิอยู่อย่างเงี้ยมีสมาธิมั่นคงเราก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็กบัญญัติได้ว่าเทียนะท่ยงแล้วนะฮะเที่ยงแล้วนี่แน่นอนแล้วนี่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วนี่ของแต่ว่าไอ้สมาธิแกแกไม่ค่อยจะมั่นคงว่า ง, งั้นเราก็ดูเห็นความเปลี่ยนแปลงแกได้แต่สักพรมก็ใช้สถานะกับสภาวะนะคือสถานะของพรมกับสถานะของพรม คื อ, อสถานที่อยู่อะไร อ, อะไรต่างๆด้วยนะฮะมันมันมันมันยู่นานยืนนานได้เกินแกก็มองไม่เห็นเพราะงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าไปชี้แจงให้แกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดนะเป็นความเห็นผิดนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เธอไปเข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรงสิ่งที่ไม่มีความแปรปรวนว่าไม่แปรปรวนสิ่งที่ยังเป็นทุกข์อยู่ว่าเป็นสุขนี่เป็นความเห็นผิดนะ นั่นคืออะไรคือวิปลาดท่านต้องนึกวิปลาดกลับไปอีกทีนะฮะวิปลาดมันก็มันก็อยู่ในสูตรเดิมซึ่งก็ไม่เคยออกไปไม่เคยมีวิปลาดที่5มันมีวิปลาดสี่นะวิปลาดสี่เท่านั้นเองแต่ว่าวิปลาดมากหรือวิปลาดน้อยมันก็แล้วแต่นะฮะแต่วิปลาดสี่อย่างก็คือไปอะไรไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงม่าเที่ยงสิ่งที่ไม่สวยบงงามว่าสวยงามนะใครจะเห็นสวยงามมากขนาดไหนมันก็กิเลสดึงไปได้มากขนาดนั้น เห็นสิ่งที่เป็นสุขก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขใครไปกําหนดอะไรว่าสุขมากขนาดไหนมันก็จะเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากขนาดนั้นแต่แท้จริงแล้วมันทุกข์มันก็ทุกหรือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ของตนไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็มีอยู่สอย่างเราจะเห็นในอย่างเงี้ยเพราะงั้นพอถึงพระกาพรมเองแกก็เห็นกันอย่างนั้นแต่พรหมแกไปเห็นในแนวเดียวนะฮะไม่ได้เห็นในแนวสวยงามว่าสิ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยงามไปเห็นว่า ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่ไอไม่ใช่สองแนวเสีเห็นที่สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนสามนะฮะสามไม่ใช่สอง เ, อเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนนะเห็นสามสามอย่างทําไมจึงเห็นขนาดนั้นนะฮะเพราะท่านตั้งหลายอย่าลืมนะว่าเมื่อเกิดด้วยปฐมฌานเนี่ยการกิเลสประเภทราคะมันสงบกิเลสประเภทราคะสงบได้ พระดังก็สมาธินะฮะสมาธิแกเกิดวิตกวิจารณ์ปีตีสุขเอกคตามันก็สงบเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการกําหนดในแนวสวยงามแต่กําหนดในแนวเที่ยงแท้ในแนวที่เป็นสุขในแนวที่เป็นตัวยืนคือยั่งยืนเป็นอนัตตากําหนดไว้สามแนวนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้แจงแสดงให้แก่ทราบแกก็ยังดื้อเหมือนเดิมเพรามันดื้อเหมือนเดิมยังไม่ใช่ดื้อเฉยๆนะอุตสาห์ชักชวนคนอื่นด้วยไอเนี่ยที่เป็นอันตราย คือบางทีตัวเองผิดไปแล้วนะเข้าใจผิดไปแล้วคลาดเคลื่อนไปแล้วอย่างที่เรียกศาสตราจารย์สมบูรณธรมนิวัฒน์มาบอกตะกี้เนี่ยคือเรากําลังพิจารณาหนังสือที่จะให้เด็กเรียนกันก็เป็นกรรมการด้วยกันก็นัดหมายกันมาว่าเราจะส่งกรมบรรจันแล้วก็ตกลงมาให้กรรมการทุกคนมาอ่านแล้วเมื่อคืนเนี่ยโทรศัพท์คุยกันกับอาจารย์ทุชิตบอกว ไ, ไหวหนังสือนี้มันแทรกอะไรเข้ามาไม่รู้ อาถามอาจารย์ทุกคนถ้าก็มีความเห็นตรงกันก็จะสั่งให้เขาไประ ง, งับไม่ให้เอาไม่ให้พิมพ์เผยแพร่เพราะไงพอเอาตัวคือตัวเองเห็นผิดแล้วไปชักชวนคนอื่นให้เห็นผิดตามเจนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงเจ้าชาติทาแต่พูดถึงพุทธะที่มีอยู่ภายในใจพุทธะมีอยู่ภายในใจนะเราไม่ว่านะแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธะภายในใจก็อนุพุทธะนะก็มีนะฮะ แต่ว่าก็ต้องเกิดความรู้ขึ้นมาอยู่ในจุดที่เป็นอนุพุทธะแกอาศัยความคิดของแกเองนะอาศัยความคิดของแกเองแล้วก็พยายามที่จะดึงสักส่วนคนอื่นนะเห็นตามคล้อยตามด้วยแล้วก็อ้างพระไตรปิฎกเมื่อวานเนี่ยมาก็อ่านแล้วก็ขำพระไตรปิฎกเล่มไหนแกนไม่รู้เล่มที่สี่สิบแปดหรืออาไรพระไตรปิฎกเม่อสเล่มที่สี่สิบแล้วก็ว่าเรื่อยไปก็ขำดีก็เลย หนังสือ น, นี้ที่จริงมันก็มีลักษณะท้าทายพอสมควรนะครคือทําให้เราฝึกปลือคนก็เราให้คิดนะให้คิดแล้วอาหารหลักฐามนมาเทียบเคียงที่จะหักล้างหรือที่จะสนับสนุนเนี่ยเพราะในปัจจุบันในเราก็นิยมที่จะฝึกเด็กเราให้คิดเด็กให้อภิปรายอะไรแต่ไรแต่พอดีมันไม่ใช่หนังสือเรียนมันหนังสือประกอบเรียนประกอบเรียนเด็กไปอ่านในห้องสมุดเราไม่มีเวลาที่จะตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อ อ, อภิปรายจะมีปัญหาในด้านจิตใจเด็ก ก็เลยก็ต้องต้องระ ง, งับไปนี้ก็ก็แนวเดียวกับกัปปะกาพรภพนั่นแหละใช่ไหมฮคือแกคิดอย่างนั้นแล้วต้องการจะให้คนอื่นคิดเหมือนแกด้วยครับต้องการจะให้คนอื่นคิดเหมือนแกตามไปด้วยเมื่อพระพุทธเจ้ามาก็ถือว่าจะได้พวกเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะฮะจากพวกที่มาแล้วก็พยายามชวนบอกทาคือคือแกภาพภูมิในความเป็นของแกนะฮะภาพภูมิในความเป็นของแกอ่ ลักษณะเหล่า น, นี้มันก็เหมือนกับอะไรนะฮะแลขึ้นอยู่กับใครที่โบาราณท่านมักเอามาเล่าเรื่องเรื่องหนอนเรื่องหนอนในซุวมนะฮะเรื่องหนอนในซุวมที่วันสามีสามีไปเกิดเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนสองคนนะเพื่อนสองคนคนหนึ่งไปเกิดเป็นเทวดาก็หนึ่งไปเกิดเป็นเป็นหนอนแล้วก็เทวดาก็เกิดไปแล้วก็ได้สุขก็นึกถึงเพื่อนเอ้เพื่อนเราไปเกิดที่ไหนหาหาอ้าวไปเจอไปหนอนไปชวนไปเกิด ไปชวนทําใจให้ดีให้เราลึกถึงอะไรตัวไหนๆๆนเพื่อนจะได้เกิดเป็นเป็นเทวดาด้วยนะฮะเทวดามองที่ผัสุขเป็นบรมสุขนะอย่าลืมนะก็อยากให้เพื่อนได้สุขด้วยมาถึงก็ชวนนอนนอนก็อธิบายถามไอ้ยางงี้มีไหมย่างงี้มีไม น, มไมนี่โอ้ยฉันสบายกว่าฉันไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกเช้ามีคนอาหารมาให้โอ้ช่างเงาจริงนมึงก็คิดแบบนอนเพราะว่านอนมองอาการอยู่ในส้วมนี่คือบรมสุขงันนะบรมสุขไม่ใช่แต่ เธออย่าเอาฉันไปเลยเธอมาอยู่กับฉันดีกว่านะไอ้เทวดาก็จะดึงอันนี้ก็จะดึงฮะต่างคนต่างมองในจุดที่ตนชื่นชมนะฮะมองที่ตนจุดที่ตนชื่นชมว่านั่นคือบรมสุขแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเขาได้อย่างที่ตัวมันก็เหมือนกับแม้แต่นี่ไอ้นิทานเรื่องหมาจิ้งจอกหางด้วนเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนิทานแบบเดียวกันคือใครไปไปไ ป, ไปพอใจไปติดใจแต่หมาจิ้งจอกหางด้วนในเจ้าเล่นะฮะต้องการหาพวก คือสรุปว่าการปักใจขีดวงเราไม่รู้อื่นไปจากนั้นเราไม่รู้อื่นไปจากนั้นแล้วเราก็ถือว่าไอ้นั่นน่ะคือความดีงามแล้วก็ขีดวงเอาไปนอนแกก็ ข, ขีดตรงนี้ขีดวงตัวนี้แทนที่แกจะตามแกจะเชื่อเทวดาแกแกจะได้หลอกเทวดาให้มาเป็นหนอนกับแก ENE. อยู่สบายดีไม่ต้องทำามากินอะไรนี่ก็คือความคิดนะฮะเพราะงั้น <uelle> เราก็ต้องมองท่าน cap, พรหมอมัยภากาพรหมด้วยความเห็นใจเหมือนกันว่าท่านเองนั้นท่านชื่นชมกับท่าน ท่านถือว่ามันจุดสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมามาอยู่เป็นพวกเป็นพ้อง ก, กับแกนะจะปฏิบัติเหมือนแกต้องเข้าถึงแกอยู่ร่วมกับแกใกล้ชิดกับแกและวแจะเป็นเหมือนแกนะจึงถือว่าข้อบ ร, รมมาสุขเป็นความการุณานะฮะที่จริงก็เกิดด้วยความการุณาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะ่ะท่านก็กรุณาพระพุทธเจ้าเหมือนกันสงสารพระพุทธเจ้าจะมีทุกข์ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการมองพระพุทธเจ้า น, นั้นท่านถือเป็นบรมสุขท่านแยกัำท่านได้แนหะท่านก็บอกว่าก็ใช่คือถ้าหากว่าฉันยังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนเธอฉันก็ต้องเป็นพวกเดียวกวับเธอซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ฐานะที่เขาชื่นชมมันก็เป็นความสุขความดีงามระดับต่งางกันแต่เพราะฉันไม่ได้เป็นเหมือนเธอฉันไม่ได้เห็นสิ่งซึ่งไม่เที่ยงอย่างนั้นมาเป็นของเที่ยง สิ่งที่ไม่แข็งแรงคงทนอะไรว่าเป็นของคงทนจริงที่เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เร่าร้อนนะผมก็ร้อนเหมือนนะแต่วันร้อนช้าหน่อยแต่เองเพราะว่าบุญบา ร, รมีกําลังใจสํานาจฌานของท่านสูงฌานก็ต้องเป็นเหมือนเธอแต่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าจะให้เข้าถึงกันนะฮะนี่เป็นการมองจากจุดซึ่งสูงกว่านั้นเองมองยัง ซึ่งจุดซึ่งสูงกันนั้น ก, ก, ก็คล้ายๆกันกนนนนนนะฮะเท th, ว ด, ดาพรหมอะไรก็ท่านเกิดชวนขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมาสามคนมันก็ถึงกันอุตรลดหมดเลยไอ้ ه, พรหมก็บอกไม่ได้เป็นอย่างชั้นดีกว่าไอ้นนนนก็เทว ด, ดาเนี่เป็นอย่างชันดีกว่าฉันสุขกว่าไอ้นอนก็ถึงพรหมด้วยนะม า, มาอยู่อย่างชั้นดีกว่าเพราะอวินิจฉัยเอากับตัวเองแต่นั่นเองนั่นคือการวินิจฉัยของคนความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันจึงขัดแย้งกันได้ไงเพราะว่าตาแต่ละคนมันก็กีดวงอยู่ของตัวเอง กิวงแล้วก็พูดไปอย่างนั้นเข้าใจไปอย่างงั้นเองแล้วก็พยายามที่จะน้มน้าวจิตใจบุคคลอื่นให้คล้อยตามเห็นตามปฏิบัติตามโดยส่วนมากนะฮะส่วนมากก็ถ้าเขาไม่เกิดโลภนะฮะก็เกิดกรุณาแต่ระดับพรหมนี่ก็เกิดกรุณาแล้วนะฮะไม่ไม่ใช่โลภส่วนบางพวกบางกลุ่มที่โฆษณาให้คล้อยตามเห็นตามสนับสนุนกิจการเขานั้นก็เกิดจากความโลภ แต่ะรูปว่าทั้งสองฝ่าก็หลงพอกันก็หลงก็พอกันพระพุทธเจ้าก็แสดงสถานะของพระองค์ให้เห็นสถานะพระองค์ให้เห็นว่าแท้ จ, จริงในทุกจุดนั้นพระองค์เหนือกว่าพรมว่าหนาว่าใครควรจะถึงใครทีนี้พรมนั้นท่านคิดได้นะฮะระดับนั้นท่านคิดได้ ว่าถ้าเอาอย่างงี้แล้วนี่ท่านเองก็ควรจะถึงพระพุทธเจ้าแต่แต่ว่าใจท่านพระพุทธเจ้าท่านรู้ไอ้การทาร้าเนี่ยหลวงพุทธเจ้ทาท้าเองฮะท้าท้าไอ้ตะพูดตำจำนวนบันเฑรวัดซ่อนหานะคือว่าทาให้หายไปแล้วให้อีกค่ายหนึ่งหายหเจอพระพุทธเจ้ทาท้าเองทําไมพระพุทธเจ้าท้าเพราะว่าใจฮะพระพุทธเจ้ารู้ใจของผมไอ้นี่ยังกันด้างอย่างเลยนะยังกันด้างยังเลยถือว่าตัวเองมีอนุภาพมากนะฮนะนะแกหลบประเด็นแล้วฮะ ไอ้ประเด็นเที่ยงก็ไม่เอาแล้วเพราะพระพเจ้าหักล้างหมดนะประเด็นสุขก็ไม่เอาประด็ประเด็นว่าฉันมีอนุภาพมากกว่ายังไงยังไงฉันก็เป็นมหาพรหมฉันมีอนุภาพมากกว่าเป็นความคิดนะฮะเป็นความคิดไม่ได้แสดงออกแต่พระพเจ้าทัานรู้จะออนุภาพอะไรล่ะอนุภาพที่นิ่มๆหน่อยน ะ, ะคือว่ามันยางผาดผลเกินไปถือว่าเป็นการอันตรธานนั้นเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งคือทําอะไรฮะ ทำให้สิ่งที่ปรากฏไม่ให้ปรากฏเมื่อเช้านี้มีคนมาเล่า ว, วิพูสิท ธ, ธิ์อะไรของสายบาบ า, บานะพวกไปถ่ายเอกสารมาปรากฏว่าไหลมาจากชายเสื้อนี่เองถ <laughs> ่ายไอ้ไอ้วิดีโอนะมันถ่ายวิดีโอวิดีโอมันเดินเรื่อยวิดีโอมันเรื่อยตอนจับธรรมดาจับไม่ได้พอถ่ายวิดีโอปรากฏวันไหลมา่างนี้เองพวกมาเล่าข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นนักประทัศนาจร อ, อินเดียนะอันนี้ก็ ก็คนเราก็ไปหาเอามารักษาโรคเยอะเหมือนกันนะก็เหมือนก็บลดหลงตาเยียร์นิทานเรื่องนี้ก็หลอกคนโง่มาได้ตั้งหลายล้านโกรธปีแล้วคนยังปลาตาบอกก็รอดพวงพางได้ไดเลยไม่ต้องพวงเหมือนก็สันชัยว่าดังนั้นการท้าทายในลักษณะนี้เพื่อกำบราบว่าตาแดงเห็นวอาแม้แต่อานุภาพฉันก็มากกว่าแต่ไม่ได้พูดมันก็รู้กันระดับมกักปราดเนี่ยแม้แต่อานุภาพเองยังก็มากกว่า วันพระกาพรหมเนี่ยคือยังไงท่านก็ได้ปฐมฌานนะเหมือนกับเอาเด็กอนุบาลไปแข่งกับด็อกเตอร์มันมันเป็นไปไม่ได้หลอกฮะแกแกก็แค่ปฐมฌานที่เป็นนี่ต่นนั้นเองพระพุทธเจ้าผ่านฌานนี้มันตั้งนานในกันเลยแล้วนะผ่านมาตั้งแต่สมัยอุท ก, กดาบด์อาราดาบดผ่านมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อุทกดาบด์อันไม่ใช่อยู่ตั้งแต่โน น, นะพระชนมอยุเจ็ดขวบนะพระพุทธเจ้าได้ปฐมฌานแล้ว ที่ต้นว่าคราวแรกว่าปะมงคลแรกนาขวันพระเจ้าท่านได้แล้วว่ม่ชานเนี่ยครแต่ว่าทีหลังก็เสื่อมไปนะฮะทีนี้เมื่อแกอ่าตำราฐานไปพระเจ้าก็บอกได้เพราะเป็นสัพพัญญุตญาณเนี่ยรู้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บทันทีเนยกรู้ได้ทันทีจริงจริงก็ไม่ต้องไปดูอะไรก็บอกบอกได้ทันทีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่บอกได้พระกาพรมจะไปในที่ใดก็ตามแกก็รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ นะพอถึงพระพุทธเจ้านั้นมันเกินญาณ น, นะฮนะมันเกินฌานไม่ใช่เกินญาณคือพรมในระดับฌานะนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นพระญาณมันคนละชั้นกันนะฮะคนละชั้นกันคือถ้าเราเรียงนะฮะเราเรียงเนี่ยสมถะวิปัสนาไม่ใช่สมถะฌานสมถะฌาวนวิปัสนาแลวา้วก็ญาณแต่เรียงถ้าเรียงง่ายๆนะฮะมันก็คนละชั้นแต่ของพระพุทธเจ้าสัพพัญญุตาญาณก็เลยเลยหายไปอีกชั้นเป็นชั้นที่5เรียงหยาบหยาบก็จะได้อย่างนั้น สมถะฌานวิปัสนาแล้วก็ญาณแล้วก็สัพพัญญุตญาณทั้งก็สูงกว่าในที่สุดพระกาพรมก็ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนะฮะเที่ยงก็บอกว่าเที่ยงก็ไม่เที่ยงแต่แล้วบอกว่าแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงแต่แล้วบอกว่ายั่งยืนก็ไม่ยั่งยืนแล้วบอกว่าเป็นสุขก็ไม่สุขแล้วไอ้มีอนุภาพมากก็ไม่มีอนุภาพมากแต่แล้วยังมียังมีตัวเทียบนะฮะยังมีคนที่มาเปรียบเทียบ ก็ในลักษณะเหล่านี้แหะที่ที่อะไรจำนวนจีนวันเหนือคนมีคนเหนือฟ้ามีฟ้านะฮะคือเมื่อเมื่อเราอยู่ในกรอบตรงนั้นเราคิดเห็นว่าเราอะไรก็คล้ายๆกับต้นไม้เล็กๆเอาไปปลูกกลางทุ่งนะเอาต้นไม้เล็กๆปลูกกลางทุ่งมันก็เจ้าป่าเลยนะเจ้าทุ่งเลยสง่าพังงาดอยู่กลางทุ่งเลยมองริบๆเห็นแต่แกต้นเดียวแต่นั้นเองแกอยู่แกนั่นมันหญ้าทางนั้นเนี่ยหญ้ากกเปียนอะไรอะไรกัต้นไม้ธรรมดาแกก็สบายแกนะ แต่พอมาเทียบกับอีกพอเข้าไปไปไปปลูกในป่าก็เป็นต้นไม้เบญจพันธ์นั้นเบญจพันธธรรมดาธรร ม, ารรมาดาเนี่ยหายไปไหนไม่รู้เพื่อนก็ไม่อยากได้นี่ก็คือลักษณะของการคนซึ่งเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าท่านพระกาพรมก็นิ่มนะฮะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อะไรแรงไม่ได้ไรแรงแรงแล้วก็ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาหรือกระด้างแบบท่านท่านสัจจะนิคนแต่ท่านเข้าใจผิดอ่ะท่านได้ข้อมูลมาผิดท่านเข้าใจผิดแล้วท่านก็ตัด ปักขวางใจลงไปในลักษณะนั้นแต่ด้วยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าคือต้องช่วยแก่ต้องช่วยแก่ก็ถึงเวลาที่จะต้องช่วยก็ต้องเสด็จไปช่วยไปชี้ชจแจงเพราะแกกำมังแกเป็นมหาพรหมแกสามารถที่จะเอาพรหมไอปุโรหิตพรหมบริษัทเข้ามาเป็นพวกได้เมื่อผู้ใหญ่เห็นว่าดีมันก็ต้องปล่อยดีนั่นคือลักษณะของพรหมมนุษย์ก็เหมือนกันนะคนมีกิเลสนะผู้ใหญ่ว่าดีชัางก็ว่าดีด้วย คอยพยักกันไปแล้วทีนี้มันจะไปกันใหญ่มันจะกลายเป็นกลุ่มมิจฉาทิฐิใหญ่แล้วคนนับถือคนเหล่านี้ก็จะคล้อยตามเห็นตามพระกางงนพระพุทธเจ้าก็จสเด็จไปโปรดไวปมีพระพุทธดํารัสที่ตรัสนะฮะแสดงให้เห็นว่าในการยึดถือว่าดินเป็นดินด้วยยึดถือโดยความเป็นดินยึดถือโดยความเป็นน้ํายึดถือโดยความเป็นลมอันนี้พระสูตรมีพระสูตรหนึ่งแสดงลึกซึ้งกว่านี้อีก เขเรียกว่ามูละปรย า, ยาสูตรเป็นประสูตรแรกในมัจจิมานิกายเป็นแล้วก็เป็นประสูตรเดียวนะฮะพระสูตรทั้งหมดในพระพุทธเจ้าแสดงเสร็จก็เรียกว่าอัตมนาเตปิกู่ปวกวโตภาสิตังอภิณันตุจิตของภิกษุทั้งหลายมีความเพลิดเพลินยินดีในพุทธภาษิตพอมาถึงอ่าประสูตรอื่นนะอัตมนานะฮะคือมีใจชื่นชมยินดีมัฟังแร้วมันทะลุกรูปรง พอพระสูตรพระสูตเนี่ยไอบาลีตอนสุดท้ายมันลงว่าอนัตตมนาคือพวกไม่รู้เรื่องไลยังไม่รู้เรื่องภิกษุก็อนัตตมนาคือคื อ, ค, อคือไม่เพลิดเพลินอะไรเลยคือไม่ฟังไม่ออกมันลึกซึ้งละเอียดเพราะงั้นเวลาพระเจ้าไปแสดงกระพริบกันใช้คําละเอียดเห็นดินเป็นดินแล้วก็เห็นดินโดยความเป็นดินนะเราดูแล้วก็ไม่น่าจะเสียหายนะไม่น่าจะเสียหายดินมันก็ดินนะ แล้ก็เห็นด้วยความเป็นดินมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันดินมันไม่มีนะโดยภาวะที่แท้จริงแล้วดินมันไม่มีดินมันเป็นอนุที่มารวมกันมากมายมา โ, อโอ่ลานพันลึกเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าก็แสดงสลายอะไรนะฮะสลายให้เห็นว่าอัตตาที่แกยึดถืออยู่เนี่ยแท้ที่จริงมันไม่มีนะมไม่ได้มีมันเป็นอนัตตามองในแนวไหนนะฮะอนัตตานั้นอย่างที่เคยบอกว่าจะมีการสอนในสามแนวเป็นหลัก คือแนวที่เราบังคับไม่ได้แนวที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของการแนวที่ว่างคือศูนย์ผัวย่อยผัวย่อยแล้วมันจะศูนย์ในข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงเอาแนวศูนย์ขึ้นมาให้เห็นว่าเนี่ยไอจุดต่างของฉันของเธอนี่เธอยังมีอัตตาแต่ฉันไม่มีอัตตาฉันไม่ได้ยึดถือโดยความเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟอะไร น, นะแต่แท้จริงแล้วสักเทวธาตุสักเทากวาย่อยออกมาเป็นอ น, นุเป็นปรนูหายไปเลย เพราะในความการมองโลกกระทัดหรือมองไอ้สิ่งทั้งหลายของเธอกระชันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอะดะงนั้นฉันหลุดพ้นจากอัตตาแต่เธ อ, อยังมีอัตตานั้นก็สำรอกไปแต่ละจุดแต่นักปรารถมาเจอก็ปรารถนะฮะนักปรารถมาเจอก็ปรารถได้มาเองยังต้องอ่านกันสองสามเชี่ยวเอมันเป็นไงว่าจับไม่เคยจับไม่เคยได้เลยคือคือบางบางแห่งนะฮะพระพุท ธ, ธํา ร, รมหลักที่พระเจ้าทรงแสดงอย่าง ย่งตอนยมกปฏิหารเนี่ยยังไม่ได้กลับไปอ่านนึกว่างๆลืมทุกทีคือตอนเป็นเป็นพระบวชไปใหม่แปลบาลีไปใหม่เนี่ยอ่านหัวหมื่นหัวอืดเลยไม่เข้าใจอะไรเลยคืออาตมานั้นทุกอย่างเนี่ยมาต้องเข้าใจแปลเนี่ยไม่เข้าสนใจแล้วแปลบาลีนี่เพื่อนก็นั่งแปลเรียบร้อยทุกคำไม่มานั่งอ่านเหมือนอ่านภาษาไทยตอนเนื้อหาทั้งหมดเดี๋ยมาเข้าใจแต่ว่าแปลนั้นไม่เคยสนใจแปล ไม่รู้จะเดินประโยชนอะไรสัมพันธ์ค้ามไม่ค่อยสนใจฮะแต่ว่าทุกอย่างเราต้องเข้าใจภาสิตทธุทบทเราต้องเข้าใจจึงเราจะผ่านเราต้องคิดแต่ก่อนคิดแต่มันเข้าใจแต่ก่อนส่วนจะเดินประโยคน์ยังไงค่อยว่าเวลาสอบก็มไม่ค่อยติดใจอะไรเท่าไรเวลาสอบเราทําให้ถูกกันแรกกันในตอนอื่นช่างมันะเราอยู่ที่ความเข้าใจเป็นสาคัญไอ้ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยปวดหัวมึบหมึบมูเลยอ่อานแล้ว ใจกันนอนนอนมือก่ายหน้าผากเลยเพราะเพราะอะไรมันที่อัตตกถาแล้วอัตกะถาก็หมดภูมิเหมือนกันท่านก็แก้ไม่ออกเหมือนกันท่านก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ใดท่านก็แก้แก้ไม่ถูกอธิบายไม่ได้เราก็ติดติดจนทิ้งเลยนะฮะติดจนไม่ได้ไม่ได้กลับไปดูอีกเลยว่าค่อยดูเวลาบารมีมันแก่กล้ า, า, ากันไหมทีนลองไปอ่านใหม่เดี๋ยวจะเข้าใจทุกเราเป็นเรื่องยากมากนะฮะพระสูตรบางพระสูตรถ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งกันักปรารถ์แล้วเนี่ยคนเราแตะไม่ถึงดียวเลย ปีนบันไดฟังก็ไม่ไหวเลยนะี่หกคอเมนต์นเะไรประั้นพระสูตรนี้ก็เหมือนกันคําที่ท่านใช้กับพรหมเนี่ยพระช้กับพระกาพรหมเนี่มันละเอียดยิบเลยนะซึ่งเราดูแล้วมันแคๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่คือแสดงอะไรครับแสดงธรรมะไปตามอัธยาศัยนะอัธยาศัยพรหมแกกระด้างนะแกมีความรู้นะแต่ว่าแกกระด้างแกกระด้างเพราะงั้นเอาทั้งหมดเลย สลายทั้งไอความกระด้างทั้งความรู้ทั้งความหลงผิดต้งแกะออกมาในรูปธรรมอภิษณะในลึกซึ้งมากลึกซึ้งคําที่ใช้ก็ลึกซึ้งต้องหยุดคิดนะฮะต้องอ่านกลับไปกลับมามันตอนนนตอนนี้มันจับความยังไงแต่พรหมท่านเข้าใจนะคนระดับพรหมทั้งเข้าใ จ, นะ เ, เ, าใจเอ่อต่อไปก็คือเรื่องมานะที่มาเป็นตัวแซวอยู่อามานก็มาแซว เราจะเห็นว่ามารพยายามที่จะใช้แบบมารเดิมนั่นไม่สาเร็จนะฮะไม่สำเร็จแกก็หักออกหักออกแต่ก็คงจะไม่ใช่พรายามมาราธิราชที่พะจนตรตรงโน้นนะฮะเพราะโนนก็เงียบไปแล้วอันนี้ก็มาร ม, มันเยอะให้พระเทวปุตตมานเนี่ย ก, ก็ก็บอกว่าเอ๊ะทั้งนั้นก็ไม่ควรสอนเพราะแกกลัวพวกพวกมารนี่กลัวคนที่จะถูก พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วก็เชื่อถือแจะเข้าไปเป็นพวกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับอะไรนะฮะมันเหมือนกับแม้แต่เรามองในมุมกว้างนะชาติบ้านบ้านเมืองบางแห่งบางประเทศรูัราษฎรรู้นะเพราะงั้นจะพยายามกีดการการศึกษาราษฎรไปเรื่อยไม่ให้ราษฎรมีความรู้มีความรู้มันจะฉลาดทันรู้ทันฉลาดทันตนรู้ทันตนประเทศบางประเทศซึ่งมันน่าจะเจริญนะ น่าจะเจริญแต่เพระาะอะไรเพราะว่ามีเทวปุตตมารครองเมืองก็เลยพยายามบีดไอ้บีไปราชฎรไม่ให้รู้ไว้ไให้รู้ไว้กดไปไอ้แนวมามันก็ออกมาอย่างนั้นนะแนวมาก็ออกมาอย่างนั้ น, น, ออ น, นเพราะฉะนั้นเราทำยังไงละ่ะพระพุทธเจ้าหลุดไปองค์แล้วยังไงไงกูอย่าไปสอนหน้าลาบากนะสอนคนลาบากนะพระองค์ตรัสรู้แล้วอยู่เฉยๆดีกว่าสบายดีสอนมุขควมันเนี่ยเทย์บากไม่สอนเลยคือจะเอาอยัางไงคือต้องต้องการเอาคนพวกนึ่งไว้พวงนี้หลุดไปแล้ว ต้องการเอาคนพวกหนึ่งไว้เพื่อจะได้ครอบงำทางความคิดได้ะจะยัดเยียดความคิดของตนอำนาจอิทธิพลของตนลงไปนะเราเรามองสะท้อนกลับมาในเชิงรูปธรรมคือทางสังคมเองเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบางทีเราก็พยายามที่จะปูกพันธุ์พันธนาการคนไว้ด้วยความคิดของตนหรือเพื่อผลประโยชน์อของตนไม่ปล่อยให้เป็นอิสระ ทีนี้คนอย่างระดับพระพุทธเจ้าเกิดมาในพระพุทธเจ้าท่านสัตจรระทำอะฮะคือสัตย์จะทำก็ไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นแหละสัตย์จะทำเป็นยังไงก็ก็แสดงไปซึ่งบางครั้งบางคราวทําให้คนโกรธก็มีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยคนโกรธก็มีอย่างที่เคยเล่านางมากัญยาที่อาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยวันจําเป็นที่จะต้องช่วยคนสคนโดยช้อยคําอย่างนั้นทําไม่อย่างนั้นแกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจแกปากใจฟังใจโอ้จริ ง, รงๆเลยนะฮะ ต้องการที่เรื่องมาคันเดียพรามที่เอาลูกสาวมายกให้พระพุทธเจ้านะฮะที่ที่ที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่าไอแกนี่ชุ่นชมในความงามของลูกสาวใครมาขอกษัตริย์มาขอยังไม่ให้บอกว่าก็วิเศษที่สุดพระพุทธเจ้าต้องใช้คําอย่างหนึ่งซึ่งก็น่าจะดุ้งเหมือนกันนะฮะเราไม่สามารถถูกต้องลูกสาวของเธอแม้ด้วยเท้าอ่ะอ้โก็ก็อพราหมณ์โอ้ขนาดนั้นนเละ ขณะนั้นคุณแสดงไปที่เราชื่นชมเนี่มันหล่นบูบนะฮะใจมันตกบูบลงไปแต่นามาคันตยาเกยกวูบขึ้นมาเลยโกรธไม่เอาเราทำไมเอาเราไม่น่าจะว่าเราเป็นมอกใส่ของไม่สะอาดอย่างนี้เลยเสียเรียมก็โกรธก็อาฆาตพยาบาับแต่นั่นคือสัจธรรมที่จําเป็นจะต้องพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นจะดงพระพุทธเจ้ามุ่งแสดงธรรมเพื่อเกิดประโยชน์แก่คนอื่นนะพระองค์ไม่ได้คิดประโยชน์ของพระองค์ถ้าเรามัวคิดถึงประโยชน์ของเราเราก็ต้องต้องพยายามทะนุถนอมตัวเราไป พยายามถนนตัวเราไว้แต่ถ้าเราคิดถึงส่วนรวมคิดถึงประโยชน์ที่เขาจะพึงได้เนี่ยมันก็ต้องอะไรเขาจะได้ยังไงเราก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์แก่เขาแต่แนวของมานั้นเราเจะพบ ว, ว่าจะต้องคอยขัดขวางตัวเองไม่ทำนะฮะเดพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำมือไม่พายแล้วเอาเท้าราน้ำด้วย พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งในเรื่องเหล่านี้แล้วกำราบแรงนะจน ง, งายหงายหลังเลยนะเพราะฉันรู้จักเธอมานานรู้จักเธอมานานแล้วที่มาวุ่นวายเซลลซลอยู่เนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนพระไตรกะแรกนะทีนี้พอพ อ, พอแซงประเด็นที่สองขึ้นมาอีกเลยก็ต้องกำราบให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของมานเธอท่า น, นมันมันมากด้วยความอิจฉาริษยาคนถ้ามากด้วยความริษยาแล้วเนี่ย ก็กลัวการได้ดีความเจริญเติบโตวความก้าวหน้าของคนอื่นแต่ว่าคนที่การุณานั้นกูอยากจะให้คนอื่นเ็าเจริญก้าวหน้ามันผิดกันผิดกันพื้นจิตพื้นอัตยาศัยของคนจึงแตกต่างกันมารก็มองในสายตาของมารซึ่งก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์นะครับเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ที่ต้องการจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมันก็เหมือนกับอะไรคนไป อาศัยอยู่ ร, ร่มเงาต้นไม้หนึ่งไอ้จากต้นไม้นั้นเนี่ยมีเทวดาที่มีอนุภาพมากช่วยบันดาลให้ความคุ้มครองแก่คนเหล่านั้นไอ้จากการมองจุดนี้คนสองคนมองไปเหมือนกันคนหนึ่งมองที่เราเอามาเผยแพร่นะฮะบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งแห่งต้นไม้นั้นเพราะการกระทาเช่นนั้นชื่อว่าเป็นการประทุษรายมิตร เป็นการกระทำของคนผาดไอคนหนึ่งก็มองว่าเออนี่เราถ้าจับเทวดานี้ไปนะได้นะแล้วก็ให้แกนีรามิดของให้ขายนะเอาของราคาแพงๆนะเราขายเที่ยวเดียวรวยเลยไอ้แต่เดียวเราก็วางแผนอีกแนวนเด็ก็พราะงั้นแกบอกอีกแนวนะ่ะแกบอกว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์แก่ตนแล้วควรหักกิ่งควรโค่ น, นต้นไม้นั้นเพื <c> ่อ <oughs> ได้ประโยชน์ก็แล้วแต่จะมองนะ จากสายตาจากจุดพื้นฐานของคนผิดกันนะไปเห็นสิ่งเดียวกันมองได้ไม่เหมือนกันต้นไม้ต้นนั้นนะะฝ่ายหนึ่งบอกโอ้เรานี่รอดพ้นมาจากทะเลทรายอันตรายจากทะเลทรายเพราะลูกเทวดาท่านนี้ช่วยนะลูกเทวดาท่านนี้ช่วยแต่ว่าท่านช่วยแล้วมันยังเหลือแต่ต้นไม้นะเขาก็ยกต้นไม้ขึ้นมาพูดคนนั้นถือว่าพอแล้วเรารอดตายมาแล้วจากท่านนี่มันควรจะตอบแทนบุญคุณอย่าไปแตะต้องอะไรท่านเลย อย่าทำให้ท่านกระทบกระเทือนใจอย่าทำให้ท่านขุนค้องมองใจอันนี้ไม่เอาโลกอันนี้โลกใช่ไหมอันนี้โลกอยากได้อันนี้กัดอันนี้กตัญญูอันนี้โลกจุดเดียวกันนั้นมองเห็นประโยชน์อีกแนวนัะเพราะแม้ถ้าพวกเราจับเทวะไอเทวาดามันคือมั น, มนขาดบทอะของมันก็แตกทลายในทะเลทรายก็เรียกว่ามีเท่าที่มีนอก้นก็เทวาดาช่วยอาคารที่อยู่อะไรอะไรก็ช่วยหมดเลยไปช่วยหมดเลยมันก็คิดว่า ตัวเองยังไงพอขาดทุนไปแล้วก็อยากจะได้ขอเพิ่มมันก็จับเทวดาให้เนรมิตมันก็เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนก็เรื่องหงทองที่จับผงเพื่อให้ออกขนเป็นทองแนวเดียวกันนะไอ้เพราะงั้นไอ้กิเลสคนมันพฤติกรรมเหมือนเดิมฮะซ้ำซ้อนมันออกมาแนวไหนในรูปไหนเท่านั้นเองแต่ว่าคนเราไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมนะความโลภแก่เกิดขึ้นมาแก่มีลักษณะยังไงอย่างที่ยกตัวอย่างในตอนต้นนะแต่ที่ตอนตอบรมเราจะเห็นว่าแก่มีลักษณะอย่างเงี้ยแกติดข้องแกอย่างเงี้ย แล้วแกขวายคว้าอย่างนี้แกรุ่งหลงก็แ ก, แกอย่างนี้ใครก็ตามบอเกิดอันนี้ขึ้นมันเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ว่าฝรังไทยแขกกินเป็นเหมือนกันหมดโดยการพฤติกรรมของคนจึงเป็นแรงดันของอะไรเป็นแรงดันของกิเลสเหรอเแรงดันของธรรมะเหรอธรรมะองค์ไหนมีลักษณะสภาวะอย่างไงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้นเพราะนั้นพฤติกรรมของมารไม่ว่ามารตัวไหนออกมาแล้วแนวเดียวกันหมดคือขัดข้างขั ด, ข, ดขวางล้างพรานทําลายความดีของคนอื่น นะไอมารที่คอยกัดขวางพระพุทธเจ้านะั่ตัวหนึ่งนะมาถึงตัวนี้มันก็แนวเดิมมามาแต่พลาเดียวกันเพราะสันดานมารมาแต่พลาเดียวกันดึงดึงไปอีกเรื่องหนึ่งมาได้ก็ดึงกลับมาเรื่องหนึ่งนะอย่างน้อยที่สุดคนอื่นยังได้รับประโยชน์นี้คือลักษณะของมารแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธภาวะอยู่งั้นเองนะมารค้านตรงโน้นไอ้ค้านที่ต้นอาจจะบาณีโครตตอนจัตสรุ ขออย่าให้รีบๆนิพพานในถอดอย่าอย่าได้อยู่ทรมานร่างกายลําบากเลยมันมาแต่เพลาเดียวกันเองปุ่ดปุดปุดแนวเดียวกันนะฮะปุดแนวเดียวกันนะพระองค์ได้สาธุแล้วเป็นสุขแล้วขอพระองค์จงได้สเสด็จเข้าสู่นิพพานอย่าได้ทรมานประวักายลําบากในการอบรมสัง ส, งส์เลย <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่ า, าตราตาคุจะดํารงอยู่ชีวิตตราบเท่าที่พุทธบริษัททั้ง4ของตาตาคุ มีความรอบรู้ในธรรมะสามารถปฏิบัติธรรมะได้สัมผัสผลธรรมะได้เผยแผ่ชี้แจงสั่งสอนบุคคลอื่นได้และแก้ปรับประวาติศาสนาได้ทำไมาอย่างนั้นไม่นิพพานทำไมาอย่างนั้นไม่นิพพานมองกันคนละรูปจะนะฮะมานั่นเอารณรงค์พระพุทธเจ้าไว้ในอำนาจนานเอาไม่อยู่เอาม่อยู่ก็ขอสัตขอให้หยุดอย่าไปช่วยคนอิทนินสัยแบบเดียวกันนะแต่คนละตัวกันนะแต่จริงมันคนละตัวกันนิสัยแบบเดียวกันนะเพราะนิสัยมานมันก็เป็นอย่างนั้นเอง เพราะกั้นในสภาวะของธรรมะสภาวะของธรรมะที่แสดงไม่ว่าในรูปกุศลหรือรูปอกุศลก็ตามแก่จะเกิดขึ้นที่ใจใครแกจะไม่พฤติกรรมออกมาอย่างนั้นเพราะงั้นสภาวะเข้าใจว่าโลกเชี่ยงเกิดขึ้นในพระกาพรมก็มีความยึดติดในรูปเ่านั้นเกิดขึ้นในคนอื่นมันก็มีความยึดติดในลักษณะนั้นหรือเกิดขึ้นในสัจจะนคนอย่างที่ว่ามันก่อนนะมันก็ยึดติดในแนวเดียวกันทั้งหมดเลย ดันั้นพระพุทธศาสนาจึงแสดงสภาวะธรรมะไว้ทั้งหมดนะธรรมะชั้ละเอียดนี่จะชงชี้สภาวะทั้งหมดเลยสภาวะอลักษณะสภาวะเหตุเกิดนะทำหน้าที่ของมันยังไงอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเนี่ยจะแสดงแต่พอไอ้สภาวะเหล่านี้มันก็เหมือนกันอะไรมือก็ดำมือก็ขาวมือก็เขียวมันสภาวะของมันดําขาวเขียวใครไปแตะไปทาตรงไหนดําขาวเขียวเหมือนกันหมดเลยดําขาวเขียวเหมือนกันหมดไม่ใช่มันจะเปลี่ยนไปได้นี่คือตัวสภาวะของมัน เหนสภาวะมากร ก, ก็ดีสภาวะพรหมก็ดีสภาวะเทวดาสภาวะมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นสภาวะเข้ามาใครสัมผัสสภาวะนั้นก็จะแสดงออกมาในลักษณะเหล่านั้นคําว่าสภาวะอาจจะอาจจะเป็นฟงังคำว่าวัดอยู่หน่อยก็ได้คือคือคือคื อ, คอมันเป็นยังไงนะฮะมันเป็นยังไงมันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นเองนะอย่างเกลือมันเค็มมันไม่ไม่ไมาอยู่อยู่ที่ไหนมันก็เค็มเข้ามาอย่างนั้นเองเนี่ยก็ดูง่ายๆฮะเกลือมีความมีความเค็มเป็นสภาวะ มะนาวมีความกรียบเปรี้ยวเป็นสภาวะถ้าท่านเจอมะนาวไม่เปรี้ยวก็แสดงไม่ใช่มะนาวนะใครจะบอกมะนาวอย่าเชื่อทีเดียวเพราะเพราะมันไม่เปรี้ยวแต่ลักษณะของมันสภาวะของมันต้องเปรี้ยวหรือเกลือต้องเค็มนะไปเจอเกลือไม่เค็มก็แสดงว่าช่เกลือนี่คือสภาวะเพราะงั้นไอ้กุศลอกุศลอะไรต่างอื่นเรามองในแนวนี้จะมีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะแกเกิดที่จิตใครมันก็เกิดแสดงปฏิกิริยาเหมือนกันนะก็เหมือนกับ ความโลภความหลงนะฮะความความความจำกัดจําเครียของนอนของเทวดาของพรหมก็อนอนกับเทวดาของพรหมเราจะเห็นว่าเหมือนกันหมดพอนอนก็ชวนเทวดาให้มาเป็นนอนกับตัวเทวดาก็ชวนให้นอนไปเป็นเทวดากับตัวพรหมก็ชวนให้พระพุทธเจ้ า, าเป็นอย่างกับตัวนี่คืออะไรคือลักษณะลักษณะความรู้ที่จํากัดแล้วก็มันก็เกิดอยากให้แต่ว่า พวกนี้มีความกรุณานะว่าจริงนะกรุณาคืออยากอยกให้คนอื่นเป็นอยากอยกให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตัวเป็นอยากที่จะให้คนอื่นได้อย่างที่ตัวได้แต่เราลองดูว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะพรหมนั้นแน่นอนกิเลสท่านจากแต่ว่าหนอนนั้นพอรู้ว่าเพื killers, ่อนเป็นเทวดาก็คิดถึงหวงยาอยากอยากให้มาสวยสุขด้วยไอเทวดาก็นึกว่ารู้ว่าเพื่อนเป็นหนนคือความรักมันผูกพันอยู่ก่อนนะ ความรักมันผูกพันอยู่ก่อนจึงต้องการจะให้เป็นอย่างที่ตัวได้เป็นแล้วก็หนดไว้สิ่งนั้นบรมตรุษแล้วนี่คือสภาวะเราจะเห็นว่าเดินเหมือนกันหมดเลยตลอดแสต้ายของเขาไปอยู่ที่พรมมันก็อย่างนั้นไปอยู่ที่เทวดาไปอยู่ที่นอนไปอยู่ที่อะไรมันก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่แม่ไก่มันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะพอได้อาหารก็เรียกลูกมาให้กินนะคือคือคืนนี้ก็ต้องอาศาัยความเยื่อใยความผูกพันอยู่ภายในใจสแสดงสภาวะออกมาพระพุทธเจ้าก็ทรงทรมาน พรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะคือเรื่องตียอดของของศาสนาพราหมณ์ลงมาเลยเอาพรรมมาเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่สามปีพรรมเป็นต้นมาเพราะ ง, งั้นพระเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นาศาสตาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงๆอามาตั้งใจจะพูดพุทธมงคลสี่อภุดตั้มงคลสี่ข้อเลยก็ลากหายมาถึงตั้งเจดข้อแล้วแต่ข้อที่หนึ่งยังไม่ได้พูดเลย <c ười> คือไปตั้งมาจากข้อที่สองเพราะงั้นจึง แต่สมบันนี้จึงขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไัยบณ์ในธรรมอันพระผู้มพระภักเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด